ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่ออุตตมะวัดวังวิเวการาม โยมพ่อก็นำท่านไปฝากเรียนหนังสือมอญหนังสือ 3 ปีระหว่างเล่าเรียนถ้ามี 12 ขวบ ใช้เวลาเรียนอยู่ห้าปีเวลาเรียนอยู่ 5 ปีจบประถมปี 19 ปีโยมพ่อก็เห็นว่า เมื่อมีใครละเว้นไม่ปฏิบัติพอสมควรที่จะบรรพชาหรือ อ่าพระ 2486 หลวงพ่ออุตตมะก็กราบ ตอนนั้นมองไปทางไหนมีแต่ป่ารกปก สังขารรูปนามขันธ์ 5 ไม่ใช่ตัวเราของ พวกเข้ามากราบไหว้บังเผายังป่า ก็ต้องประลาดใจ จากการสนทนากันในครั้งนั้นท่านจึงได้ทราบว่าพระผู้เฒ่ารูปนั้นจะทุรดงไปยังพระธาตุเจดีย์อินแขวนเมืองสะเทิมแต่ว่าท่านไม่รู้จักทางลัดตัดตรงหลวงพ่ออุตำมะก็เลยแนะนำทางให้ตรงไปยังแม่ห้องสอนแล้วก็ไปตองอูอ่า ปีที่พบกันนั้นคือปี 2486 หลวงปู่ปี 2520 หลวงปู่แหวนอาพาธ นับว่าความจำของท่านไม่เสื่อมเลยหลวงปู่แหวนดีใจมากก็จับมือหลวงพ่ออุตตมะไว้แล้วก็บอกว่าดีใจจริงๆที่ได้พบกันอีกเมื่อหลวงพ่ออุตตมะทุรดงไปถึง มีจิตเลื่อมสายในพระศาสนาอย่างแท้จริงท่านจึงได้อบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านอยู่ในมีชาวบ้านเค้าติดฝิ่นกันมากถึงกับถือเอาฝิ่นเป็นคล้ายๆหมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปเพิ่มความขาดสติเข้าไปอีกด้วยการเสพติด ในช่องทางจาริกนี้ท่านก็ได้พบกับหลวงอาจาโรครูบาวงอ่าแล้วก็ฤาษีพม่า ต่อมามีชาวมอญเดินทางมาจาก ออกพรรษาแล้วโดยบรรจุศพถวายพักตาม พอดีได้เวลาเข้าวันสารก็ไปจำรสังสารติวัตรธรรมเจดีเมืองทวายอยู่ 1 มนสาสั่งสอนอบรมเทศนาธรรม ตอนนั้นเป็นปี 2490 หลวงพ่ออุตตมะ สิ้นเงินไปประมาณ 60,000 บาทพอออกพรรษาแล้วท่านก็ล่องแพไม้ไผ่มาตามลําน้ําเพราะสมัยนั้นยังไม่มี ในที่นั้นและที่บ้านโป่งนี้เอง แล้วที่เนี่ยท่านก็เริ่มฝึกพูดภาษาไทยเรียนภาษาไทย 8 ประโยคก็ทําให้สามารถพูดไทยเขียนไทยได้ ออกพรรษาแล้วหลวงพ่ออุตตมะก็อำลาศรัทธาญาติโยมจาริกทุรดงต่อไปยังอำเภอกูผาคูชื่อนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่ามะม่วง เดินทางไปนิมนต์ให้ท่านไปจำนรรษาที่วัดกะล่างเพราะว่า 1 เดครั้งซาแล้วพอดีในมานิมนต์ให้ ท่านก็ยินดีรับนิมนต์ไปอยู่ 2 มนสาพอท่านเดิน 2500 ทางสัญจรเข้าสู่อำเภอสังขละบุรีน่ะเต็มไปด้วยๆชุกชุมมากข่าวที่หลวงพ่ออุตตมะ ชาวบ้านทั้งหลายจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสละแรงกายและ และจะเป็น 6 ปีเท่านั้นท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโทเอกด้านวิปัสสนาเป็นพระครูคุณ โดยการตั้งสัจจะฉัน 2 ฉัน 3 ฉันเพียง 32 คำแล้วก็ไม่ ไม่ว่าจะถูกนิมนต์ไปที่ไหนเว้นแต่เหตุ 2516 ทหาร ได้ถูกทหารของนายพลเนวินยิงตายทหารของนายพลเนวินได้นํา 5 คนแล้วก็พลิกศพที่ แต่ปรากฏว่าทหารทั้ง 5 นายไม่คนเหตุการณ์ครั้ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจําหน่วยลงคะแนน สะเก็ดระเบิดเพียงแต่ทําให้เสื้อผ้าขาดแต่ตามเนื้อตัวเป็นรอย ต้องเป็นผู้ที่ประกอบกุศลกรรมหรือกรรมดีทั้งในอดีตและในปัจจุบัน 2 ปัญญาต้องเป็นผู้ที่รู้วิริยะต้องเป็นผู้ แล้วท่านบอกว่าเมตตาธรรมเท่านั้นที่จะ เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วเราย่อมไม่สามารถ ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอคงปรากฏให้เห็น